ก่อนที่เราจะกินข้าวนะโดยเพระอ่านเช้าในะแต่ละวันแต่ละวันลองถามตัวเองสักหน่อยนะว่าเราได้ทาอะไรที่มันคู่ควรกับอาหารนะที่เรากินไหมเพราะการที่คนเราเนี่ยได้มีอาหารกินเนี่ยนะมันถือว่าเป็นโชคนะแล้วก็เรามีอาหารกินได้ก็เพราะความเสียสละนะจากผู้คนและชีวิตต่างๆมากมาย ยิ่งเป็นพระด้ย แ, แล้วเนี่ยนะอาหารที่เรากินเนี่ยนะไม่ว่ามือไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการาเสียสละนะความเอื้อเฟื้อของญาติโยมหรือแม้แต่จะเป็นคาราวาที่หาเช้ากินค่ำหรือว่าซื้ออาหารมาด้วยเงินของตัวเองเนี่ยก็ต้องตระหนักว่าลำพังเงินอย่างเดียวนี่มัน ไม่สามารถจะทำให้เรามีอาหารกินนะถ้าไม่มีคนอื่นๆที่เขาช่วยทำให้เรามีอาหารนะเรื่องตั้งแต่ชาวนาเกษตรก ร, ร, กรไปจนถึงแม่ครัวพ่อครัวยังไม่นับนะชีวิตต่างๆนะที่เขาสละมาเป็นอาหารหกับเราไม่ใจ่เป็นสัตว์ไม่ใจะเป็นพืชนะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เมื่อเราได้มีโอกาสกินอาหารเนี่ยนะเราก็ต้องแน่ใจว่าเราได้ทำสิ่งที่สมควรนะแก่อาหารที่เราได้รับนะ่ประเทศจีนเนี่ยเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมีพระเซนนะท่านหนึ่งนะชื่อท่านไปจ้าง ท่านเป็นจเจ้าอาวาสเป็นวัดที่ท่านสร้างขึ้นมาแล้วก็มีลูกเสืลูกหายเยอะวัด น, นั้นเนี่ยก็มีระเบียบอยู่ข้อหนึ่งนะั่นคือว่าวันไหนไม่ทำงานนะวันนั้นไม่มีอาหารก็หมายความว่าเนี่ยก่อนที่จะกินอาหารหรือหลังจากกินอาหารเนี่ยนะก็ต้องทำงานทำงาน นะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมคือของวัดของสงฆนะ์แล้วท่านไปจ้างท่านก็ทำเป็นแบบอย่างนะนท่านก็ทำงานหนักจนกระทั่งท่านอายุมากเนี่ย <c oughs> อายุแปดสิบแล้ว น, ท, นท่านก็ยังไม่หยุดทำงานนะกวาดลานวัดกำจัดวัดชพืชนะหรือว่า ทำความสะอาดเสนาสนะศาลาท่านก็ทำไม่หยุดนะทำตลอดเวลาไม่ใช่ว่าทำตลอดทุกวันนะก็ชาวบ้านก็นับถือมากแต่ตอนหลังลูกศิษย์ก็เห็นว่าเนี่ยท่านชราแล้วนะกอเรอยท่านหยุดทำงานท่านก็ไม่หยุดลูกศิษย์ก็เป็นห่วงท่านนะ ทำไงทีให้ท่านหยุดทํางานนะขอร้องแล้วไม่หยุดนะก็เอาเครื่องมาเครื่องมือไปซ่อนนะไม่อาจจะเป็นไม้กวาดไม่เป็นจอบเสียมเอาไปซ่อนท่านก็หาไม่เจอนะเพราะท่านหาไม่เจอทําไงท่านทํำยังไงท่านก็ไม่ฉันเลยนะไม่ใช่แค่วันเดียวนะวันต่อมาก็ไม่ฉันวันที่สามก็ไม่ฉันนี่ลูกศิษย์ก็เลยยอมแพ้นะ เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาคืนท่านพอท่านได้มานีท่านก็ทำงานเลยนะแล้วก็เริ่มชันอาหารแต่แล้วตอนเย็นเนี่ยประชุมสง์กันท่านก็พูดจำนะกับลูกศิษย์วันเนี้ยวันไหนไม่ทำงานนะวันนั้นไม่กินก็เรียกว่าท่านาทำงานเนี่ยจนจะเรียกว่าวาสุดท้ายเลยก็ได้อันนี้ก็ ถือว่าเป็นระเบียบที่ท่านทำเป็นแบบอย่างเพื่อให้ลูกศิษย์ได้เห็นว่าเนี่ยการทำงานนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมและอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมการกินเนี่ยมันเป็นการทำประโยชน์ตนนะคนเราก่อนที่เราจะทำประโยชน์ตนเราก็ควรจะทำประโยชน์ท่านซะก่อนนะถ้าเราทำประโยชน์ท่านหรือทางาน ก็ถือว่าเราได้ทําสิ่งที่มีค่าควรแก่อาหารที่เราได้รับในชาวพุธกาลนี่มีอุบาสกท่านหนึ่งนะท่านตั้งบุญิทานไว้เลยนะว่าถ้ายังไม่ได้ให้ทานเนี่ยท่านก็จะยังไม่ทานอาหารถ้ายังไม่ได้ให้ทานก็จะไม่ทานอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเช้านี่ท่านก็จะไปบําเพ็ญทาน เป็นเช่นนี้ทุกวันเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นอาที่มาของธรรมเนียมการใส่บาตรนะทุกเช้าที่คนไทยนับถือหรือปฏิบัติสืบมาชาวบ้านจำนวนมากนะสมัยก่อนเนี่ยนะถ้ายังไม่ได้ใส่บาตรก็ยังไม่กินอาหารนะอยากกินอาหารก็ต่อเมื่อใส่บาตรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใส่บาตรทุกเช้าเลย แล้วก็ชวนลูกหลานใส่บาตรด้วยใส่บาตรเสร็จนะจึงกินอาหารนะหรือว่ามีสิทธิกินอาหารอันนี้ก็เป็นการนะการให้ทานนี่ก็เป็นการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นคนเราจะมีสิทธิกินอาหารมีสิทธิ์ที่จะาบารุงเลี้ยงชีวิตของตนได้นี่เพื่อความอยู่รอดก็ต้องทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก่อน จะเป็นการทำงานก็ดีหรือว่าจะเป็นการบําเพ็ญทานก็ดีนะแต่สมัยนี้เนี่ยเราจ ะ, ะทำความดีอย่างอื่นๆก็ได้ก่อนที่เราจ ะ, ะกินอาหารนะเชิญบางคนตั้งปฏิธานว่าถ้ายังไม่ได้จเจริญสติยังไม่ได้ภาวนา นะตอนเช้านี้ก็จะไม่กินอาหารต้องภาวนาก่อนน ะ, จะเจริญสติก่อนทาสมาธิก่อนนะจึงจะกินอาหารหรือว่าจึงจะมีสิทธิกินอาหารได้ไม่ใช่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็เปิดโทรศัพท์มือถือฟังเพลงนะดูโซเชียลมีเดียในะแบบนี้นี่มันยิ่งเท่ากับทำให้จิตใจหม่นหมองจิตใจไม่เป็นกุศล แต่ถ้าว่าเราตั้งใจว่าเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเราจะไม่กินอะไรเลยจนกว่าเราจะได้ทำความดีสร้างกุศลซึ่งอาจจะรวมถึงการทำสมาธิการเจริญสติหรือว่าการขัดเกลานิสัยของตัวเองเนในเช่นออกกาลังกายก็ได้นะวันไหนไม่ออกกาลังกาย จ, ากจะไม่กินอาหารอันนี้ก็เพื่ อ, อสร้างนิสัยที่เอาชนะกิเลสเอาชนะความเกียดครา มันก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งนะหรือว่าวันไหนไม่เช้า ว, วันไหนยังไม่สนมันก็ยังไม่กินอาหารเป็นต้นนะอันนีเน้เราแต่ละคนเราแต่ละคนเนี่ยก็ต้องนะลองพิจารณาดูนะเราทำความดีอะไรบ้างที่จะทำให้เรามีสิทธิ์นะกินอาหารเชา้าไม่ใช่ว่ากินก่อนแล้วค่อยไปคิดว่าจะทำอะไรอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าว่าเราทำความดีไปก่อน กินอาหารเนี่ยมันจะทําให้เรามีสิทธิ์นะหรือว่าทําสิ่งที่คู่คู่กับการกินอาหารอย่างแท้จริงพูดถึงเรื่องการาให้ทานนะก่อนกินอาหารเนี่ยซึ่งเป็นบณนทิกานของอุบาสกท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยพูดถึงการให้ทานนี่ก็ก็ไม่ควรจะจํากัดเฉพาะการใส่บาตรนะหรือว่าถวายอาหารให้กับพระเท่านั้นนะ กับคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนนี่เราก็ทำได้นะเพราะทานเนี่ยมันมีความหมายกว้างนะไม่ใช่ว่าจะต้องจํากัดกับถวายกับสงหรือถวายกับพระในรูปบินธรมบารการให้อาหารแก่คนที่ตกทุกข์ได้ยากมันก็เป็นทานหรืออาจจะไม่ใช่ให้อาหารอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจจะสิ่งที่จําเป็นคนตกทุกข์ได้ยากนี่มีเยอะนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่โอมีข่าวนะ แผ่นดินไหวที่ตุรกีนะซีเรียคนตายนี่อย่างสองเมืองคนแล้วนะนัะว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากแล้วก็ยอดคนตายก็คงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไม่นับคนที่ตกทุกได้ยากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึ่งนะที่เราควรจะนึกถึงนะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอย่างเช่นตอนนี้สภากาชาดก็ระดมเงินเพื่อ นำเงินไปช่วยเหลือนะคนที่ตุรกีสถนะานทูตตุรกีก็ระดมรับนะความช่วยเหลือที่เป็นรูปสิ่งของนะเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวหมวกกันหนาวเสื้อฝนไฟฉายเทอร์โมมิเตอร์ผั์แบงค์อะไรพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ต้องการมากนะใครที่คิดว่าเออเราอยากจะทำความดีก่อนที่จะกินอาหารเช้านี่ หรือกินอาหารเย็นก็แล้วแต่นี่ก็ลองนึกถึงการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากซึ่งตอนนี้ก็มีมากนะไม่ใช่แค่รอบตัวเราใกล้บ้านเราอย่างเดียวนะไกลออกไปก็มีไม่น้อย น, ะนึกถึงคนเหล่านั้นบ้างแล้วก็หาทางช่วยเหลือเขานะมันก็จะทําให้เป็นการฝึกฝนเราให้เราหมั่นทําความดีแล้วก็เห็นคุณค่าของอาหารที่เรากินด้วยไม่ใช่ว่ากินเพื่อความสนุกสนานเพื่อความเป็นอร่อย แต่กินด้วยความสํานึกว่าเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เพื่อการทําความดีเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นและการทําประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยกุศล